ขอความผาสุกความสวัสดิ์ดีความเจริญในธรรมจุมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการเช่นเคยช่วง ฟ้าฝนก็เริ่มตกลงมาอากาศก็เริ่มเปลี่ยน คนโจรผู้ร้ายก็มากขึ้นดีก็ทํากันไปโจรผู้ โลกเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่า เราพระพุทธองค์ทรงช่วยเราไม่ได้รอกเป็นเราต้องหมั่นฝึกหัดปฏิบัติไปเพียงผู้บอก ประพฤติที่ได้ตรองเห็นแล้วธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็น ดับที่เหตุรูปนามเนี่ยเราไม่ต้องไป แต่การปฏิบัติธรรมนมัสปฏิบัติเพื่อ มีคนโดดตึกตายวิทุกวันเลยคนโดด กรรมนี้มันจำแนกแยกประเภทให้เรารู้กันว่าคนที่ ขาดสติขาดปัญญาสติขาดปัญญาท่านเหล่านั้นส่วนมากก็ไม่ ว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่มันเกิด อย่างคุณธรรมของคารวาสธรรมนะสัจจะธมโม ไม่ใช่ว่าตั้งใจว่าจะทําอย่างนี้ 2 3 มันก็เลิกลาผ่าจาก หน้าที่ของพ่อ, หน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่บ้านก็คือรักสามีนี่ ถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่เราไม่รู้จักหน้า 2 สัจจะข้อที่ 1 ค่าฟันรันแทงซึ่งกันและกันนี่ ข้อที่ 3 ต้องมีขันติความอดนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่างมาดูขันติวาทีดาบทพระเจ้ากลาภุตัดหูตัด ทำให้ขันติวาทีดาบดล่มลงในที่สุด ความโกรธที่เกิดขึ้นในใจมันไปเกิดบนสวรรค์นี่เป็นเป็นๆที่ ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย ถ้าคนเข้าใจพระพุทธศาสนาเขาจะไม่ทําชั่วเขาจะไม่ล่วงละเมิดไม่ เป็นฆราวาสธรรมนอกจากนั้นแล้วที่จะมีฆราวาสธรรมเป็นขันติยังจาคะนะสัจจะธรรมะขันติจาคะคือข้อจาคะแปลสละสละ ความโกรธสละการผูกเวรสละสิ่งที่จาคะให้อภัยกันแฟนเวลาสามีร้อนมา ความเสียสละเสียสละนะจาคะแปลว่าสละสิ่งที่เป็น ถ้าเราไปผูกอาฆาตมาดร้ายใจของเราก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าใครทุกข์น่ะคนใดผูกคนนั้น ความดีความชั่วมันอยู่ที่การกระทํา เราต้องมันฝึกหัดปฏิบัติไปต้องหมั่นฝึกหัดปฏิบัติไปจึงจะได้ประสบ พัฒนาทางด้านจิตใจของเราเพราะฉะนั้นอ่านข่าวหนังสือและอดที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เพราะว่าดูแล้วมันรุนแรงเกินไม่แต่ประเทศไทยเท่าต่างประเทศมีการฆ่ากันมีการยิงกันโอ๊ยซึ่งกันและกัน ขาดความรักความมีเมตตาซึ่งกันและ เรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์ในคือปัจฉิมโพธิกาลก็คือเกี่ยวโยงกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธองค์ใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเรียกว่าปัจฉิมโพธิกาลถ้า แต่เวลาใกล้พระองค์จะเสด็จดับขันธะปรินิพพานเรียกว่า 80 พรรษาพระองค์ก็เลยอ่าเสด็จดับขันธะปรินิพพานหลังจากปรินิพพานแล้ว 8 วันก็ได้ถวายพระเพลิง ก็เรียกว่าวันอัฐมีบูชาบูชาในวันที่ถวายอ่าเวลาเก็บกระดูกพูดง่ายๆนะ บวรศาสีคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้ดํารงมั่นๆที่พระๆเช่นมคธกับ เป็นรัฐเกียงไกด้วยอานุภาพแห่งทหารแล้วก็การปกครองในมคตรัฐก็มีพระเจ้าอัจฉราชศัตรูหรือพระเจ้าพิมพ์พิศาลเป็นผู้ปกครอง ใน 2 เมืองนี้คือพระเจ้า พระมีความเกี่ยวโยงกันอาชาตศัตรูๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 45 ปีนะนับแต่ 44 พรรษา พระภรรษาที่ 45 พระองค์ได้เสด็จประจำบรรษาที่หมู่บ้านเวรุวัคามนะแปลว่า 45 นี้เองพระองค์เสด็จจากอ่าหมู่บ้านอัมพปาริวัน อัมพปาลีวรรณซึ่งนางอัมพปาลีหญิงคณิกาคือหญิง อันเป็นสถานที่อยู่ ด้วยการต่อสู้เวทนาด้วยอธิวาอธิวาสนะจริงๆทุกขเวทนาอันกล้าเกิดขึ้นแก่พระโรค คืออาเจียนเป็นโลหิตถ่ายเป็นโลหิตโอ๊ยกำนะเป็นพระพุทธเจ้า คันดำรงพระวรกายเป็นปกติแล้ววันหนึ่งพระองค์ทรงนั่งอยู่ที่ร่มแห่งวิหารแห่ง ทุกขเวทนาไว้ได้ทุกขเวทนาไว้ได้ข้าพระองค์ แม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่ ก็คิดว่าพระองค์จะไม่เสด็จดับขันธะปรินิพพานข้าพระองค์มีความยินดีใน จึงได้สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึง ไม่มีภายในภายนอกที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายบัดนี้อายุของเราก็ล่วงเลยมาถึง 80 ปี จงมีธรรมเป็นเกาะมี มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง 3 เดือน คือจนถึงวันมาฆะ 3 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 เดือน ทั้งกล่าวว่าในครั้งนั้นเวลา ปาวารเจดีย์ก็คือเป็นชื่อของหมู่บ้านนะแล้วก็มีสถานที่ต้นไม้ พระสงฆ์จะให้พระอานนท์ อธิบาดภาวนาแม้ปรารถนาอายุได้ตลอดกลับหรืออายุ 3 ครั้งส่วนพระอานนท์เหมือนกับดุจทรง ไปมองไม่เห็นนอกแล้วมองไม่เห็นคนเวลามีปัญหาเกิดความทุกข์คือไปเห็นพระพุทธองค์น่ะเห็นพอไปแล้วใจมันเป็น แล้วในที่สุดก็, ในที่สุดก็พระพุทธองค์ทรงเนรมิตโอภาสถึงขนาดนั้น ปญามารก็เลยยกเนื้อความแต่ฝั่ง บิณฑบาต 4 คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่มั่นคงยังไม่ได้ 4 ก็ ความพ้นทุกข์ได้สามารถแสดงธรรมย่ํายีแก่บุคคลอื่นได้ มานเข้าไปทูลเมื่อพระองค์ ทรงพระชนมายุสังขารว่าจาก 3 เดือนดูก่อนมารเราตถาคตจัก ทางเสียงกลองทิพย์บรรลือลั่น 8 ประการ 1 เรื่องลมพายุหรือลมกํ่าลึกนี่ก็ทําให้แผ่นดิน 2 ผู้ 3 พระโพธิสัตว์จุติ 4 พระโพธิสัตว์ 5 พระ ก็ 6 พระตถาคตแสดง 7 พระตถาคต 9 ตถาคตเสด็จ เหตุ 8 ประการนี้แลนะพอพระองค์ทรงเห 3 ครั้ง พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า 16 ครั้งแล้วแล้วก็ บัดนี้เราตถาคตปลงพระชนมัยุสังขารแล้วแหมเรื่อง พระพุทธเจ้าจึง 10 16 ครั้งแล้วแล้ว 10 ครั้งนะเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ 3 ที่ถ้ำสัตตะบรรณคูหาข้างภูเขาเวพาฬบันพด 5 ที่ถ้ำ 6 อยู่ที่ 7 อยู่ 8 อยู่ 9 อยู่ อยู่ที่มัธคุฏฐิทายวันเชิงภูเขาคิชฌกูฏและแสดงอีก 6 แห่งอยู่ที่ 1 อยู่ที่อุเทส 2 อยู่ที่โคตมะ 3 ที่สัตตัมภะเจดีย์ 4 พหุพุตตะเจดีย์ 5 อยู่ที่สารันทะอย 16 แห่ง เป็นการที่อยู่ของพระอาณน zd ที่พระอาณน zd จะ wrapsราพุทธอง พระอาณน Usually aqueles enfin ne know more subjects whether your king of all hundred qu or than były sheep of allgalim พระอาณนก็ไม่รู้ไม่ได้ wraith her own ต้อง�� browse operations and taking a tea series well ที่พระอาณน Lore der Arm is th the ones that has given his Commons 16 ครั้ง อันนี้เป็นความผิดของอานนท์ผู้เดียวนะโอ้พอพูดถึง ดูแลพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็มาต่างๆต้องทําเป็นการบ้านอยู่ป่ามหาวันตรัสให้ประชุม ในที่อุปถากในศาลาจึงได้ตรัสประทานโอวาทสอนภิกษุทั้งหลายด้วย เหตุใดท่านทั้งหลายจึง ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้ง อภิญญาเทสิกธรรมนั้นก็ได้แก่สติปัฏฐาน 4 อิทธิบาท 4, 4 5 พละ 5 จ, 8 อันนี้ท่าน เรื่องสังเวคกถาและอัปมาทธรรมก็มีใจ ตสาคตกปรินิพานร์ในการไม่ฉ้านักโดยการร่วงไปสามเดือนต่านี้ไปเราตสาคตกปรินิพานชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่งคนแก่คนพานรือยเป็นบัญดิทจะเป็นคนมั่งมี ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือ ให้เกิดความสังเวชใจให้ระลึกนึกถึงความตายอืม หลังจากทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์เสด็จกลับจากบิณฑบาตได้ทรงทอดพระ พอยืนตรงตรงแล้วก็เหลียวหลังกลับดูเมืองเวสาลีอย่างนี้เค้าเรียกแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสแก่ว่าอานนท์ตถาคตจะมองเห็นเมืองเวสาลีคือเป็นเห็นการเห็นครั้งสุดแล้วตรัสชวนภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปยังบ้านพันธุไปบ้านพันธุคาม แล้วพระองค์กับเหล่าภิกษุ แล้วทรงแสดงไตรสิกขาธรรมอันเป็นเครื่องอบรมประการนะแล้วก็ นะแปลว่า 7 น่ะ 7 อย่างคืออริยธรรม 4 ก็ศีลสมาธิปัญญาอีก 3 ก็เป็น 7 นะเค้าเรียกว่าอริยธรรม 4 ไตรสิกขา 3 ตามพุทธอัตถิยใส่แล้วพระ เวรุแปลว่าไม้ไผ่ชัมพุกามแปลว่าไม้ชมพูหรือไม้ว่านะพันธุคามอ่าชัมพุกามตามลําดับหัตถีคามก็หมู่บ้านคนเลี้ยงหมาอะเลี้ยงช้างส่วนบ้านอัมพคามนี่ก็คือบ้านป่ามะม่วงนะ ในขณะที่พระองค์ตรัสอยู่ที่อานันทเจดีย์จึงได้ตรัสมหาประเทศ 4 มหาประเทศ 4 นี้ฝ่ายพระ อะไรไม่เป็นธรรมอะไรไม่เป็นในให้ให้ตรวจสอบพระสูตรแล้วก็ พอเขาได้ทราบข่าวพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่บังคมแล้วนั่งในที่ เขาจึงกราบทูลอัญเชิญเพื่อให้พระพุทธองค์รับพัตตาหารในวันกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงจะ วันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์